จริตกับการปฏิบัติธรรมถามที่หลวงพ่อกล่าวว่าการปฏิบัติธรรมมีสองแนวทางคือแนวทางของผู้เป็นสมถยานิกกับวิปัสสนาญานิกนั้นอยากทราบว่าเราจะทราบได้อย่างไรว่าเราควรเลือกเดินในแนวทางไหนครับ หากอาตมาจะตอบเองก็มีข้อถกเถียงกันยืดยาวจึงขอยกอัตากฐามหาสติปัฏฐานสูตรมาอ่านให้ฟังพระอัตกฐาอาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่าอันหนึ่งหนึ่งกายานุปัสสนาสติปัฏฐานที่มีนิมิตอันจะพึงบรรลุได้โดยไม่ยากเป็นทางหมดจดสำหรับเวนยสัตผู้เป็นสมถยานิกมีปัญญาอ่อน 2. เวทนานุปัสนาสติปฐานเพราะไม่ตั้งอยู่ในอารมณ์อย่างหยาบจึงเป็นทางหมดจดสำหรับเวนยสัตผู้เป็นสมถยานิกมีปัญญากล้า 3. จิตตานุปัสนาสติปฐานมีอารมณ์ที่แยกออกไม่มากนักเป็นทางหมดจดสำหรับเวนยสัตผู้เป็นวิปัสนาญาณิกมีปัญญาอ่อน 4. ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมีอารมณ์ที่แยกออกมาเป็นทางหมดจดสำหรับเวนยสัตผู้เป็นวิปัสสนาญาณิกมีปัญญากล้าถามถ้าเป็นพวกโทสัจจริตหรือราคาจริต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 แต่ละฐานก็น่าจะทำได้ง่ายทั้งนั้นหากท่านผู้ปฏิบัติเคยฝึกฝนอบรมมาทางด้านนั้นๆในการก่อนแต่ความยากง่ายของแต่ละบุคคลอาจจะไม่เหมือนกันดังนั้นถ้าทำฐานใดแล้วสติเกิดได้บ่อยก็น่าจะทำฐานนั้นอีกประการหนึ่งอาตมาเติบโตมาจากสายวัดป่าครูบาอาจารย์ส่วนมากท่านทาสมถะกันก่อนแล้วจึงพิจารณากาย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 เชื่อบางอย่างของชาวพุทธถามหลวงพ่อกล่าวถึงการเคยฝึกฝนอบรมในการก่อนหมายความว่า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 ยอมโอหัิศีกรรมได้บ้างสิ่งที่ขัดขวางการทำความดีในทางพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่ามานมีห้าอย่างคือ 1. กิเลสมาร 2. ขันธมาร 3. อภิสังขารมาน 4. เทวปุตตมารและ 5. มัจจุมารเรื่องเจ้ากรรมในเวนั้น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 ผมเคยได้ยินว่าถ้าเราฟังเทศมหาชาติจบได้ในวันเดียวจะได้พบพระสีอานจริงไหมครับอาตมาไม่ทราบและไม่กล้ายืนยันด้วยเพราะความเชื่อเรื่องนี้เป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นในชั้นหลังพุทธกาลเข้าใจว่าสืบเนื่องมาจากเรื่องพระมาลัย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 ถ้ายืนยันว่าใครได้ฟังเทศมหาชาติจบในวันเดียวแล้วจะได้พบพระศรีอานพุทธเจ้าแน่นอนก็ดูจะขัดกับหลักธรรมข้ออื่นๆด้วยซ้ำไปเช่นถ้าคนนั้นเคยฟังแต่ต่อมาได้จเจริญปัญจมาฌานแล้วพลิกไปเกิดในอสัญญาสัตตาภูมิหรือพรหมลูกฝักหรือจเจริญอรูปฌานแล้วไปเกิดในอรูปภูมิ หรือฟังแล้วไปทำอนันตริยกรรมต้องไปเกิดในอเวจี G. มหานรกนา น, านหรือฟังแล้วภายหลังได้เจริญวิปัสสนาจนบรรลุพระอรหัสต์และนิพพานไปก่อนอย่างนี้ก็คงไม่ได้พบพระสีอานอีกประการหนึ่งเราไม่ควรฝากความหวังว่าจะได้พบพระสีอานแล้วบรรลุธรรมอย่างง่ายดายด้วยการฟังเทศมหาชาติซึ่งเป็นการลงทุนน้อยแต่หวังผลมาก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 ต, อ, ตอพระไตรปิฎกด้วยเหตุผลที่ว่าพระไตรปิฎกไม่มีข้อความอย่างที่คุณเชื่อ 6. ขณิกะสมาธิสมาธิเพื่อการเจริญวิปัสสนาถาม ขอให้หลวงพ่อช่วยอธิบายเกี่ยวกับเรื่องสมาธิหรือเรื่องจิตตสิกขาหรือเรื่องจิตตสิกขาที่ต้องใช้เพื่อการปฏิบัติธรรมด้วยครับเรื่องจิตตสิกขานั้นเป็นเรื่องของสมถ ภ, ภาวนาและเป็นเรื่องที่ต้องพูดกันมากสักหน่อยแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่า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 ระหว่างทำก็ต้องมีสติปัญญารู้ชัดว่าทำอะไรอยู่ด้วยหากในเวลาที่ควรทำสมาธิก็ฝืนจะเจริญปัญญาในเวลาที่ควรจเจริญปัญญากลับไปทาให้จิตหยุดนิ่งอยู่กับสมถะอย่างนี้ก็นับว่าปฏิบัติไม่ถูกและในเวลาทำสมถธและวิปัสสนาเราจะทิ้งสติไม่ได้ไม่ใช่นั่งเคลิครึ่งหลับครึ่งตื่น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 วิปาสนามีขึ้นเฉพาะเมื่อมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นสมถะทมยากเพราะมีกิจที่ต้องทำมากเช่นคุณจะทำกสินให้ได้ชาญคุณต้องเริ่มหาตั้งแต่วัตถุที่จะใช้เพ่งเช่นถ้าจะทำปฐวีกสินหรือการเพ่งดินคุณก็ต้องเตรียมดิน คัดเลือกดินนำมาทำเป็นดวงกรสินจากนั้นคุณต้องหัดดูดวงกรสินนั้นด้วยตาของคุณดวงกรสินนั้นจัดเป็นบริกรรมนิมิตจนภาพของดวงกรสินติดใจคือหลับตาก็เห็นภาพเหมือนเมื่อลืมตาภาพนั้นจัดเป็นอุกหานิมิตเท่านี้ยังไม่พอคุณต้องรู้ภาพดวงกรสินในใจไปจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า ปฏิภาคกนิมิตคือดวงกรสินในใจผ่องใสหมดจดปราศจากริ้วรอยราวกับแก้วผลึกและจะน้อมจิตให้ดวงกสินเล็กใหญ่ก็ได้ตามปรารถนาเพียงแค่เริ่มต้นเท่านี้ยังไม่ทันถึงฌานก็ยากมากแล้วส่วนการนั่งสมาธิที่นั่งคลาเคลิม้มลื ม, ลมเนื้อลืมตัวไม่มีสตินั้นไม่ใช่การทำสมถะแต่อย่างใดเอาละ